ท่านเพื่อนพิสูจส์สมณีทั้งหลายและก็บรรดาญาโยมผู้บริษัทวันนี้ก็มาคุยกันก่อนหลับตามเดิมวันนี้จะนํำมาเรื่องของสัตธิวิหาริกของภาษาลิบุตรพูดเป็นภาษาไทยไทยก็เรียกว่าโลกศึกของภาษาลิบุตรก็แล้วกันไปใช้สัพท์ภาษาบาลีจะไม่ค่อยรู้เรื่องกัน บางทีท่านผู้ฟังก็รู้มากกว่าผมนะไม่แน่นอนนะักผมก็ไม่ใช่ผู้วิเศววิสูอะไรในความมีว่ามาสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระเด็จประทับอยู่ที่พระเชตวันพระเชตวันสวนเจ้าเชษเป็นเมืองพารณาณสีทรงปรารบสัตวิหาริคือรู้สิขมัสสาดิบุตรแต่พระธรรมเทศนา น, นี้ว่า อุทชิอุดชินทะเป็นต้นเนื้อความในท่องเรื่องก็มีว่าได้ยินว่าบุตรของนายช่างทองคนหนึ่งมีรูปร่างสวยบุตในสนักของภาษาริบุตรภาษาริบุตรแท่งกระดำเรียว่าคนนี้เป็นคนหนุ่มรูมปร่างหน้าตาสวยคงจะมีราคาจริตนา คือมีราคาหนาเข้าใจไว้อย่างนั้นแล้วท่านก็ให้อสุภกรรมฐานเกตเธอเพื่อกำจัดราคาแต่ว่าพระกรรมฐานนั้นไม่เป็นที่สบายใจสำหรับท่านคือไม่เหมาะกับจดิเพราะฉะนั้นท่านเข้าไปสู่ป่าแล้วพยายามอยู่สิ้นสามเดือนพือจเจริญอสุภกรรมฐานสามเดือนท่านบอกว่าไม่ได้แม้แต่คุณ มาแต่ว่าความเป็นผู้มีจิตแน่วนแน่คือช้านก็ไม่ได้จึงพระสารีบุตรจึงเล่นนาพระองค์นี้เข้าไปหาสมเด็จพระสัมมาทิพยธเจ้าพออภิษานแล้วกราบทูลในทรงทราบสมเด็จพระผู้มีพระเจ้าภาคเจ้าทรงพิจารณานแล้วก็ทราบว่าพระองค์นี้ไม่ใช่มีราคะจริตเป็นคนที่มีโทสะจริตประจำ นี่มันผิดกันอย่างนี้นะเวลาเจริญกรรมฐ า, านในบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านพระทุกองค์ต้องระมัดระวังให้มากการที่หวังผลจริงๆในการเจริญพระกรรมฐ า, านต้องเข้าใจในจริตของตัวเองก็มีหลายคนมาถามผม <c oughs> ว่าผมควรจะปฏิบัติในกรรมฐ า, านจริตกองไหนครับผมก็สายหน้าบอกไปดูเอง ยศิรของคนมันมีเหมือนกันทั้งหมดหกอย่างแต่ว่ามันหนักอย่างไหนทำลายอย่างนั้นก่อนต่อมาองค์สมเด็จพระจินาวรก็ทรงตัดประสารีบุตรด่าดูกนสาธิบุตรกุลบุตรที่มีศรัทธาที่ตถาคตสงเคราะห์ไม่ได้นั้นไม่มีฉันเธอจงกลับแล้วก็ต่อไปไปหน้าที่ของตถาคตเอง <c oughs> ต่อมาพระพุทธเจ้าจึงได้ให้กรรมฐ า, านกับพระองค์นั้นโดยให้กรรมฐ า, านเกี่ยวกับโทสัจริตคือทำลายโทสัจจริตก็ได้ก็กสินสีก็สินสีก็สินสีนแดงสีเหลืองสีเขียวสีขาวเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าพรมิหารสีแต่ว่าเวลานั้นพระพุทธเจ้าทรงเลือกเอากสินสีแดงซึ่งเป็นที่ถูกใจของเธอ แือเกษินทั้งสีอย่างเนี่ยไม่ต้องทําทั้งสี่อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งที่ถูกใจเราทําแบบนั้นพระองค์นี้จิตใจชอบเกสินสีแดงจึงจะถูกกับใจผู้ได้เจ้าทรงให้เกสินสีแดงที่เรียกว่าโลหิตกสินคือนิลามิตดอกบัวทองคำขึ้นมาดอกหนึ่งและให้เป็นสีแดงท่าอนิฐานี้เป็นสีแดง ก็เป็นสีแดงแล้วมอบให้แก่พระองค์นั้นให้ไปที่กองทรายหน้าวิหารหลังจากนั้นให้ม้วนกองทรายขึ้นเอาก้านดอกโบจิ้มลงไปในกองทรายให้มันตั้งอยู่แล้วก็ลืมตาดูจําภาพสีแดงให้ได้หลังจากนั้นก็หลับตาให้นึกภาวนาว่าสีแดงสีแดงสีแดง เราโลหิตะกะสินังโลหิตะกะสินังเป็นต้นบาลีเรว่าโลหิตะกสิคสินังเราโลหิตโลหิตกังก็ได้โลหิตะกะสินังก็ได้คือแปลว่าสีแดงนึในใจว่าสีแดงสีแดงที่แดงจําไว้สีแดงสีแดงจิตที่ได้ไปสมาธิได้คำภาวนาและใจก็จับภาพสีแดงเมื่อภาพเลือนไปก็เลือมตามาดูใหม่ ไอ้แบบนี้ผมเคยบอกไปบางคนบอกเพ่งเสร็จนน้าตาไหลแสบตาอันนี้ไม่ถูกคือลืมตาตั้งใจจำแล้วก็หลับตานึกเพียงภาพวิทีวิธีธปฏิบัติกระสินจริงๆเ็าทำแบบนี้คือว่าเรามีที่ใดที่หนึ่งตั้งกระสินไว้ก็ไป น, นั่งหลับตาลืมตานึกเพียงภาพกระสินจนต้งติดใจ พอติดใจแล้วกลับมานอนที่มาที่นั่งว่าที่เดิมนั่งก็ได้นอนก็ได้ยิงก็ได้เดินก็ได้นึกถึงภาพกระสินกองนั้นให้มันขึ้นใจ <c oughs> อย่างกระสินสีแดงนี่กรสินทุกกองแล้ก็กรรมฐานทุกกองนี้จะมีสภาพเหมือนกันมันจะคลายจากสีเดิมอย่างกระสินสีแดงคลายจากสีแดงลงมาสีจะค่อยๆคลายถ้าจิตเข้าถึงอุ ป, ปจารสมาธิ ถ้าเป็นยังเป็นคณิกะสมาธิอยู่มันก็เป็นสีแดงตามเดิมพอเริ่มเป็นอุปจารสมาธิเล็กน้อยสินจะคลายคลายจากสีแดงอ่อนลงอ่อนลงจนทั้งกลายเป็นสีเหลืองเมื่อกลายเป็นสีเหลืองมาหกิตหนักดีขึ้นเป็นอุปจารสมาธิเข้มข้นขึ้นจะกลายเป็นค่อยคขาวทีละน้อยแต่น้อ ย, นอ ย, นอยจนทั้งขาวโพร่งหมด <c oughs> พอขาวโพล่งหมดตอนนี้ก็เมื่อ กำลังจิตดีขึ้นกว่า น, นั้นก็สามารถจะบังคับสีขาวนั่นแหละให้เล็กก็ได้ให้ใหญ่ก็ได้ให้อยู่สูงก็ได้อยู่ต่ำก็ได้อยู่ข้างๆก็ได้อยู่ข้างหน้าก็ได้อยู่ข้างหลังก็ได้จิตจะเห็นภาพอันนั้นอยู่ทําที่ที่เราต้องการอย่างนี้ถือว่าเป็นอุปจาระเต็มที่ต่อไปสีขาวนั้นจะคลายไปทีละน้อยๆเป็นประกายขึ้นมาแม้ ว, ว่าเป็นระยับ มันก็จกทอแสงพระอาทิตย์สะท้อนแสงพระอาทิตย์ผมก็ไปจำเอาภาษานักประพันธ์เข้มาพูดเป็นแพรวพราวป็นญายับตอนนี้เป็นฌานเป็นฌานก็ต้องสังเกตว่าถ้าชฌานที่หนึ่งเห็นภาพแพรวพราวป็นญายับหูได้ยินเสียงชัดเจนแจ่มใสาภายนอกมากจิตยังพาวนาไปสีแดงสีแดงอยู่แต่ว่าไม่รำคาญในเสียงนั้น อย่างนี้เป็นปฐมฌานถ้าก็ยังรู้ลมหายใจเขาออกหลังจากนั้นเมื่อเช่าถึงฌานที่สองคำภาวนาจะหายไปลมหายใจเขาออกจะเบาจิตมีความชุ่มชื่นดีกว่าเกา่าภาพชัดเจนดีกว่าเกา่าแผ่วพราวดีกว่าเกา่าอันนี้เป็นลักษณะของฌานที่สองมาถึงฌานที่สามความอิ่มเอิบหายไปจิตสงบมากขึ้น ลมไม่ใจเบารู้สึกเบามากเสียงภายนอกที่สะท้อนเข้ามาถึงหูยินเสียงแววแวแวเบาลงไปทุกทีอาการทางกายตึงเป็งเครียดนั่งธรรมดานอนธรรมดาเหมือนกใครจับมัดติดกัเสาแน่นอย่างนี้เป็นอาการของทานที่สามพอถึงอาการของทานที่สี่จิตจะพ่องใสภาพกระสินจะโปรงจําชัดมากจิตทรงตัวหูไม่ยินเสียงภายนอก ลมให้ใจไม่รู้สึกให้ใจอันนี้เป็นอาการของฌานิสีถึงที่สุดของกสิณต้องทำให้คล่อง <c oughs> พระโ อ, อ้นั่งเข้าถึงจุดตอนนี้พอดีสมเด็จพระจินสีอยู่ในพระมหาวิหารก็ทรงพิจารณาว่าตอนนี้ชายกัเธอถึงที่สุดแล้วถ้าหากว่าเราจะไม่ช่วยเธอจะสามารถทำคุณวิเศษให้เกิดขึ้นได้ไหมหมายความว่าเป็นพระอธิยะได้ไหม ก็ทรงทราบว่าถ้าไม่ช่วยเธอไม่สามารถจะเป็นพระอรญาเจ้าได้และจะทรงทิฏฐานว่าขอดอกบัวดอกนั้นจงเหี่ยวแห้งไปดอกบัวดอกนั้นก็เหี่ยวความสดใสาหายไปและก็กลายเป็นสีดบเหมือนกับดอกบัวที่ถูกขยี้ด้วยมือพระสูงองค์นั้นออกจากชานแล้ว แลดูดอกโบรนั้นนึกเห็นเปนอันนี้จะเลัาสนะคือนึกอาการที่ไม่เที่ยงว่าเอ๊ะเมื่อกี้นี่ก็สดใสนี่นะนี่ทำไมทำเฉียวแห้งไปแล้วก็สีดำปรากฏขึ้นได้แปลกจริงๆแล้วต่อมาเมื่อเมื่อปรากฏว่าอนุอนุปาทินกะแม่สังขาร แล้วก็บอกว่าระเทศก็ร่างกายของตอนว่้ร่างกายของเราเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้ว่าก่อนนี้เราเป็นเด็กตอนนี้เราเป็นหนุ่มไม่ช้าเราแก่เหมือนพ่อแล้วก็ย่ำแย้มมันยาย่ผลที่สุดก็ตายแน่ในที่สุดจึงเห็นว่าไม่เป็นเรื่องการเวีนห่ายตายเกิดอยู่ในภพต่างๆนี่ไม่ได้ความ มันเต็มด้วยความทุกข์หายความแน่นอนไม่ได้ก็ไอดอกบัวนี่มันดีก่าเนื้อหนังของเราจะเป็นแบบนี้วันที่สุดท่างก็ปัดอารมณ์ความรู้สึกไม่ร่างกายเสียได้เป็นพระอรหันต์ประกอบด้วยเป็นสมิธายานเรื่องนี้ที่ผมนำมาเล่าสู่ท่านฟังปริบรรดาญาโยมพุทธบริษัทธรรดาเพื่อปมะสยสมณเณรทั้งหลายจงอย่าประมาทในการปฏิบัติของตน คิดว่าเราได้มโนยิทธิเราเข้าใจเรื่องสวรรค์เรื่องพมลโลกเรื่องพรนิพพานเรื่องเทวดาเรื่องนรกเปรี่องสุรกายสามารถทําปุเพนิวาสานุปญญาให้เกิดขึ้นได้ถอยหลังชาติใดแล้วก็ตามทั้งหมดนี้เรายัางดีไม่พออันนี้เป็นเรื่องเขาสมถะภาวนาควบวิปัสนาภาวน า, วว า, วนาต้องเร่งรัดในสมถะภาวนากับวิปัสนาภาวนาให้ขึ้นใจตามจริของเรา จะต้องศึกษากรรมาฐานตามจริตให้ครบถ้วนมันได้จะอะไรเพราะว่าจริตจริงๆมันมีหกหนึ่งราคาจริตรักสวยรักงามมันก็มีในใจของเราเราต้องพร้อมพยายามป้องกันความรักสวยรักงามยใา้เกิดขึ้นกับใจแต่ก็จะลืมนะครับ อย่าลืมว่าการทำลายนิติมันใช้เวลาน้อยนอยมันก็ไม่มีผลค่อยค่อ ย, อยทำค่อยๆลดคือใช้กายยังคาตานุสติคือร่างกายของเราเนี่ยแล้วก็อสศปกรรมฐานเห็นว่าร่างกายนี่เต็มไปด้วยความสกปรกโสโครกดูตามความเป็นจริงว่าในท้องของเราอ่ะมันมีอะไรบ้างเมื่อนใครที่ไหลออกมามาสะอาดและสกปรกดูอย่างนี้นะแล้วจิตจะต้องคลายคล า, า, ายตัว แล้วต่อไปก็โทสะจริตให้คนชอบกโกรธอาการชอบกโกรธมันก็มีด้วยกันทุกคนตอนนี้ก็ถือว่าโทสะจริตก็มีกับเราแล้วยามหาทางตัดด้วยพรมิหารสี่แล้วก็สินสีตามที่กล่าวมาแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งค่อยคลางอารมณ์ด้วยปัญญาต่อไปก็โมหจริตกับวโตกจริตจริตสำรังการในโมห โง่งมเงึกที่ตกก็โ ง, ง่หม่กันคิดอะไรไม่ตกลงสมองช้าอย่างนี้ถ้าใช้อนาปานุสติอย่างเดียวเนื่องการเจริญพระกรรมฐานไอ้ร่มโง่รมม่มีการเจริญกรรมฐานต้องขึ้นต้นโดยอนาปานุสติเสมออย่าทิ้งอยคิดว่าเราทําจริตอื่นอันนี้เราไม่ใช้ไม่ได้เป็นพื้นฐานใหญ่ ถ้านาณาปานุสตินอกจากจะยับยั้งความงโง่แล้วก็ยังยับยั้งความฟุ้งซ่านของจิตด้วยที่มีคนทุกคนบอกฉันทําไม่ได้ผมทําไม่ได้เพราะจิตฟุ้งซ่านแต่ความจริงถ้าจิตไม่ฟุ้งซ่านก็ไม่ต้องมาทําท่านที่จิตไม่ฟุ้งซ่านมีท่านเดียวคือพระอรหรันยังไม่ถึงพระอรหรันเพียงใดจิตของก็ฟุ้งซ่านต้องคอฝึก ต่อไปจิตเราก็ชอบเชื่อบางครั้งเราเชื่อโดยไรเหตุไรผลไรคล้ายการพิจารณาถ้าการอย่างนี้มีมากท่านเรียกว่าศรัท ธ, ธาจริตสำหรับศรัท ธ, ธาจริตนี้พระพุทธเจ้าให้ใช้กรรมฐานหกอย่างเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งคือหนึ่งพุทธานุส ต, ตินึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ธรรมานุสตินึกถึงพระธรรมเป็นอารมณ์ สังคานุสตินึกถึงพระอารียส่์เป็นอารมณ์ศีลานุสตินึกถึงศีลควบคุมศีลเป็นอารมณ์จาคานุสตินึกถึงทานการบริจาคเป็นอารมณ์เทวตานุสตินึกถึงความดีของเทวดาเป็นอารมณ์เทวตานุสตินี้ไม่เย็นนึกถึงเทวดาอย่างเดียวต้องนึกถึงความดีของเทวดา ว่าคนที่จะเป็นเท ว, วดาได้ต้องประกอบด้วยคุณธรรมสองประการคือเฮริความละอายต่อความชั่วโอตประความเกรงกลัวผลของความชั่วใจผลมีความเดือดร้อนนี่พระพุทธเจ้าทรงยืนยันเรื่องเท ว, วดาแล้วก็ทรงยืนยันว่าจงเคารพคือเคารพความดีของเท ว, วดา ดังนั้นท่านที่แนะนำบรรดา ญ, ญาโยมพุทธบริษัทว่าเทวดาไม่มีท่านพวกนี้ไม่ใช่สาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าและก็ไม่ใช่คนในพระพุทธศาสนาถ้าแต่งตัวเหมือนพระสงฆ์ในพุทธศาสนาแสดงว่าเขามุ่งเข้ามาทำลายพระพุทธศาสนาเพราะว่าเป็นศัตรูของพุทธศาสนานั่นเอง แล้วเมื่อเราทราบอย่างนี้เราจะทำไงเราก็ไม่สนใจกับเขาทุกก็หมดเรื่องเราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครแยะว่าอย่างไรก็ช่างเราเชื่อพระพุทธเจ้าก็หมดเรื่องกันไปี่การเจริญพระรรมฐานมีความสำคัญอย่างนี้เมื่อ <c oughs> เมื่อมนไดาท่านนังหลายได้มโนยิ่ยิเวลานี้รู้สึกสบายมาก ญาติโยมพุทธบริษัทไปนรกก็ไปชมบา ร, รมีของพระนี่นก็หมายความว่าพระของเราบำเพ็ญบา ร, รมีลงนรกกันเป็นแถวไม่ใช่ทุกองค์นะที่เต็มไปสวรรค์ไปพรมปณิพัน์นก็มีเยอะแต่ว่าที่นิยมลงนรกก็มีไม่น้อยเวลานี้ก็มีเดิน เวลาเนี่ายญาตโยมพุทธบริษัทลงไปนรกวันที่ไปเจอพระที่รู้จักกันแม้มีจิยาดีมีศักดิ์ศรีใหญ่แต่เพื่อนมีความสามารถเป็นมีเศษคือไปนั่งเล่นนอนเล่นในไฟให้หอกทิ่มแทงสด า, สาดาบฟันคอนทุบสบายบายนี่มันเป็นอย่างนี้มีการเจรมิมกรรมฐานของเราต้องระมัดระวัง ถ้าถามว่าจะใช้จริตอะไรจึงจะดีถ้าถามผมผมต้องตอบทันทีว่าผมไม่รู้ทางนี้เพราะอะไรเพราะว่าภาษาดิบุตรท่านยังพลาดในการให้กรรมฐ า, านแล้วผมละ่ะเอาความดีส่วนไหนไปเทียบกับภาษาดิบุตรเรือกวัญญาวรรมีเนี่ยไม่มีทางเลยที่จะไปเทียบภาษาดิบุตรได้ แล้วก็บรรมีทุกอย่างอย่าลืมว่าท่านเป็นอักสาวกสาวกผู้เลิศในด้านปัญญาก็ยังมีโอกาสเข้าใจผิดในด้านจริตนี่จะโทษว่าขนาดอักสาวกเข้าใจผิดในด้านจริตพระพุทธเ จ, จ้าเจ้าตั้งเอาทำไมก็ต้องตอบว่าคนที่เข้าใจจริงๆในเรื่องจริตนั่นคือพระพุทธเจา้าท่านเห็นว่าหนักจุดไหนทำลายจุดไหนก่อน นีะสำหรับพวกเราพวกเราก็ต้องเล่นยาหม้อใหญ่ทำยังไงได้แล้วก็จับจริตทั้งหกอย่างมีไหมการรักสวยรักงามของเรามีแน่อารมณ์ความโกรธมีไหมมีแน่ประสาทามึนงงคิดอะไรไม่ออกมีไหมมีแน่บางครั้งเชื่อแจ๋วใครพูดอะไรก็เชื่อหมดบางโอกาสก็มีแน่ ต่อไปอิจริทหนึ่งคือพุทธจริตคือความฉลาดท่านที่มีความฉลาดบางโอกาสมีสมองปลอดโปรง่งพราะพ่าะเจ้าให้ใช้กรรมฐานแบบนี้หนึ่งมรณานุสติกกรรมฐานนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ <c oughs> แล้วก็สองอาหารปฏิโกสัญญาพิจารณาหารว่าเป็นมีพื้นฐานจากความสุขสงก แล้วก็อุปสมานุสตินึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วก็ธาตุสี่คือธาตุดินน้ำลมไฟคือว่าทุกสิก่งทุกอย่างเกิดมาในโลกร่างกายของเราร่างกายคน อ, อื่นมีธาตุสี่ประกอบกันขึ้นมามีวิญญาณธาตุประกอบขึ้นจึงเดินเหินได้รู้อะไรได้แล้วเราก็ไม่ติดมันทั้งกาย ร่างกายเราร่างกายคนอื่นเราก็ไม่ติดติดทํำไมมันคองสกปรกโศโคกหันไปดูราคาจริตหันก็ไปดูตูโทสะจริตเกิดมาแล้วมีไฟคือโทสะเขาเผาผลาญตลอดวเวลาไอ้ความโกรธของคนแล้ก็คือความโ ง, ง, ง่ความรักของคนก็คือความโ ง, ง่ทําไมเรียว่าโ ง, ง่ของที่เราจะรักเราเลือกแล้วเลือกอีก เ, าาเอาว่าว่าง่ายๆว่าคนก็แล้วกัน เราจะแต่งงานกับใครสักคนมันเลือกเลือกทั้งจริยาธาตุทางเลือกทั้งผิวพรรณเลือกทั้งฐานนะเลือกทั้งอคมดทุกอย่างชอบใจเก๋ที่สุดแต่เดียวว่าพออยู่กันแล้วไม่กี่วันทั้งยนทั้งยานทั้งเจ้า ท, ง, ทงหมองข้ห อ, อะไรมันสุดโสมไอความสวยความงามมันจะอยู่ได้ขนาดไหนร่างกายกขาแต่ละคนทั้งผู้หญิงผู้ชายเต็ไมไปด้วยความสขปรกโสโครก ผู้ที่มีสามีปัญญาแล้วรู้จักการเสพการแล้ควรรู้ว่ามันเละเทอะชันหนักไหนหน่าเกลียดซีเสียนขนาดไหนที่เราทําไปเพื่อความเมามันขี้เกลีย ด, ด, ดมันสอนความโกรธเกิเหมือนกันคนเราต้องการความสุขแต่ดันไปหาความโกรธมาเผาผลาญใจเมื่อความโกรธเกิดขึ้นมันมีความดีที่ไหนกินไม่ได้นอนไม่หลับ ร่างกายของรุดโทมปัญญาก็ตกคนที่โกรธง่ายงโง่ความโกรธเกิดขึ้นมาแล้วปั๊บหมดคิดอะไรไม่ออกดันทุรังอย่างเดียวมันก็มีแต่การของความทุกข์นี่ความหลงว่านั่นกงกของกูนี่ก็ของกูก็เหมือนกันแล้วไม่มีปัญญายไปเครื่องตัดไม่มจะโมหะเจดิจเวตกั จ, กจริเนี่ยนี่อารมณ์เลวเหมือนกันไอ้ของกูของกูนะี่เวลาตายเอาอะไรไปบ้าง แม้แต่เส้นผมเบาๆเส้นเดียวยังไม่สามารถจะติดไปได้ถูเขาเผาถูกขาฝังทิ้งหมดมันดีเลยความเชื่อกันไม่กันการเชื่ อ, อไรเหตุผลไม่ดีแต่ความเชื่อศรัทธาจริตนี่ดีส่งก็ไปหาพุทธานุสติธรรมานุสติอนุสติถตาหกอย่างใดอย่างหนึ่งจับได้แจวโคตรศรัทธาจริตเนี่ผมสั่นิญ ถ้าจับจังหวะได้ถูกแล้วท่านหลงไหลวิ่งเร็วเลยเขาบอกอันทำอย่างนี้นะเชื่อทำอย่างนั้นนะเชื่อแต่คนสอนดีๆสอนให้ถูกใจให้ถูกตามแบบตามแผนไปจุดของการละเขาจะละได้เร็วมากเพราะก็เชื่อในครูมาอาจารย์มาพวกพุทธจริตอันนี้ต้องสรรเสริญคุณิเศษเป็นพิเศษ ผู้นี้มีความฉลาดมากแน่อย่างเดียวมีความเข้าใจฉะนั้นบรรดาพวกเราทั้งหลายฟังแล้วนี่มันก็จะจบสูตรนี้ผมจะถือว่าเป็นสูตรสุดท้ายในตอนแรกที่ผมจะพูดต่อจากนี้ไปผมจะพูดประสบการณ์ที่ผมผ่านมาเพราะว่าบรรดาท่านหลายจึงเข้าใจจะเข้าใจว่าผมนี่มีความปลอดโปร่งทุกอย่าง จะได้ว่าอารมณ์ใจเพิ่มปลอดโปรยแต่ว่าศัตรูรอบด้านศัตรูได้ตาเป็นกรอบปริมาณบอกไม่ถูกแต่ผมก็เฉยผมถือว่าเพิเกิดมาชาติหนึ่งในที่สุดแห่งชีวิตผมก็ตายแต่ก็ผมจะพยายามบบประคับประคองให้มันตายอยู่ในระหว่างของความดีศัตรูจะมาแบบไหนแล้วพวกท่านจะรู้กัน ผมจะพูดให้ทราบธรรรมสบการณ์ที่ดีและไม่ดีแด้คนที่เป็นมิตระเป็นศัตรูจะได้รู้ว่าแม้แต่เราให้การสงเคราะห์กับคนทั่วไปเราหวังในธรรมก็ยังมีศัตรูจองล้างจองผลาญแต่ก็อย่าหนักใจทาไมแม้แต่องค์สมเด็จพระชิตมาก็มีศัตรูตลอดเวลาแต่สมเด็จพระอรมาสสะสันดาก็ทรงเฉย แต่ว่าพวกเรามีความดียังไม่เท่าทันมันจะเร็วขึ้นมาว่าอะไรก็ไม่ทราบแต่ก็พยายามประคับประคองจะให้มันเร็วมากกอแล้วกันก็เป็นอนุวาการเจริญพระกรรมฐานขอทุกท่านในเมื่อได้มโนยุทธิแล้วได้กาไรมากใช้ยานต่างๆให้ชัดถ้าสงสัยอะไรถามตรงองค์สมเด็จพระสงฆ์สวัตรถามไง ตั้งใจจับพระรูปโฉงองสมเด็จสัมมาพุทธเจา้าให้ชัดเจนแจ่มใสทำใจให้เป็นกลางที่เขาเรียกว่าอุเบกขารมหลังจากนั้นก็พิจารณาอารมณ์ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนดูว่าเราควรจะตัดตัวไหนก่อนในด้านของจริตนี่คําว่าพุทธเจ้าคือความดีของพระองค์แต่พวกท่านจับได้หมดแล้ว เมื่อเห็นอะไรแน่นอนว่าคนจะตายก่อนก็ทำลายจุดนั้นทันทีอย่าไปรอจะไปคิดว่ามันยังไม่มากและเรายังไม่ดีถ้าเราไม่ทำมันก็ไม่ดีทำไปเรื่อยไปมันดีเรื่อยไปก็จงอย่าคิดว่าทำแล้วปุ๊บดีเดี๋ยวนี้ค่อยๆดีด้วยอารมณ์ที่มันลดทำไปแล้วราคาจริต ล, ลดลงบ้างเบาลงโทสจิตเบาลงโมหจริตพุทธะวิตกจริตเบาลง ศรัทธามีความฉลาดจับถูกปัญญาดีขึ้นรู้เท่าทาันตามความเป็นจริงเท่านี้บรรดา ญ, ญาติโยมผู้บริษัทชายญิงพวกเราก็น่าจะภูมิใจว่าเราสามารถกระเตื้องความชั่วร้ายให้เบาบางลงบ้างสำหรับวันนี้หมดเวลาสิอันนี้ใบเวลาสัญญาณบอกเวลาหมดแล้วก็ต้องขอลา ก, ก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนาะมงคลสมบูรณ์ผลผล จงมีเดบรรดาแตนพุทธศาสนิกชนกับบรรด์บรรดาพิสุสะเปรนโพรับฟังทุกท่านสวัสดี